แต่เวลาที่ได้ฤทธิ์แก่อยู่การปฏิบัติจริงๆก็นะจำกว่า1 0บถึชั่วโมงต่อวันแล้วทุกวันนี้เราคงจะอนุวัตตามวิถีโลกนิดหนึ่งขอการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ทุกๆนาทีเพราะว่าในช่วงที่เราออกไปทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันหลุดไปตรงนั้นเยอะเพราะความเคยชินมันสูง แต่ถ้าหาก เ, เราประสานตัวรู้จากที่เราปฏิบัติตรงนี้แล้วก็เอาไปประยุกต์กับกิจกรรมตรงที่เราไปทำธุร่วนตัวมันก็จะทำให้ตัวรู้นี้เข้มแข็งได้ไวขึ้นเพราะกระแสหลักของความทุกข์ก็คือมาจากต้นตอความเคยชินนั่นที่เรียกว่าอาวิชชาสวะ ซึ่งมันนอนเนื่องจนกลายเป็นบุคลิกเป็นชีวิตของเราที่เราจะย้อนสอนหรือว่าจะขัดเกลาเอาอสวะเนี่ยออกมันก็จะต้องเริ่มจากการใช้สติสมิญญาที่เราฝึกฝนเนี่ยให้มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่เราดีทรีชเนี่ยเราจำเป็นต้องได ทาต่อเนื่องอย่างนั้นเพื่อที่จะให้เกิดกําลังของสติสัมยาในเข้มแข็งเมื่อสติสัมยา เ, ยเยข้เ ม, ม, เมแข็งเนี่ยการไดลึกรู้หรือ ก, การตามรู้มันจะไวขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งที่เราได้ออกไปทํากิจกรรมธุระส่วนตัวหรือไม่ได้อยู่ในช่วงฤทธิ์ที่แล้วก็ตาว ม, มันจะมาได้รู้ขึ้นนะอันนั้นข้อนี้เป็นข้อที่ผู้มีประสบการณ์มาพอสมควรแล้ว เพราะนั้นเบสิกต่างๆแล้วก็คงจะผ่านไปลรวก็คงจะมาพูดถึงเรื่องในส่วนที่เป็นในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านภาวนามาแล้วระดับหนึ่ง <c oughs> นั่นก็หมายถึงว่าทันที่เราจะไปตอกย้ำที่กายแต่เรามาตอกย้ำที่เวทนาและจิตและอารมณ์ในทีเดียวในสติปัฏฐานสี่ ในแง่ของกายก็จะพูดถึงบ้างแต่ว่าน้อยลงสัด ส, ส่วนน้อยลงแต่ว่าอปุปสรรคเบื้องต้นต่างๆเราก็คงจะไม่ต้องตอกยํากันเช่วนว่าการดุลต่อเวลาการต้องเก็บพลอยสับ ก, การพูดคุยกันหรือการพยายาทำโทรศนโท์ส่วนตรวที่ใช้เวลามากเกินไปซึ่งเราอาจจะไม่ต้อง เน้นกันเพราะว่าเราได้รู้ถึงความมีประโยชน์ไร้ประโยชน์ของกิจกรรมเหล่านั้นว่าเราควรจะใช้เวลาสักขนาดไหนเท่าใดในการประหยัดตรงนั้นเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมานีความต่อเนื่องของการเจริญสติเป็นจุดสำคัญคาว่าต่อเนื่องในที่นี้คือต่อเนื่องแบบผ่อนคลาย ไม่ใช่ต่อเนื่องแบบกดเกร็งเพ่งจ้องหรือบังคับกดคมซึ่งตรงนั้นต้องระวังคําว่าต่อเนื่องเนะี่ยพอต่อเนื่องแล้วเรามักจะมีอุปทานว่าจะต้องอเรียกว่าควบคุมโฟกัสจนกระทั่งเกิดความหนักเกิดความตั้งใจมากเกินไปอันนี้ก็เป็นความต่อเนื่องที่ไม่ถูกนะนะความว่าต่อเนื่องหมายถึงว่า คนที่ผ่านอารมณ์รูปนามมาแล้วระดับหนึ่งเนี่ยความต่อเนึ่อจะมีได้สูงเพราะอย่างน้อยเขาสัมผัสอารมณ์ประมัดเบื้องต้นได้แล้วคำว่าประมัดเบื้องต้นหมายถึงการที่มีความรู้สึกตัวทุกพร้อมได้ได้ละเอียดขึ้นได้เร็วขึ้นได้หนานแน่นขึ้นได้ลึกขึ้นนั่นเอซึ่งความรู้สึกตัวอันนี้ที่ได้ฟูมฟักรักษามาระดับหนึ่ง ที่เราเคยมีประสบการมาก่อนเนี่ยเราคงจะรู้จักแล้วละแล้วลความรู้สึกตัวเบื้องต้นความรู้สึกตัวที่เป็นสัญชาตญาณดยอาศัยเวทนาเป็นตัวขับเคลื่อนหรือตัวกระตุ้นเตือนสติสัมผะตรงนั้นมันจะเกิดมาทำหน้าที่เพื่อการปกป้องรักษาชีวิตของตัวเองนะในด้านรูปด้านรูปนาม แต่พอมาค่อยๆสู่ขัน้นศึกษาขั้นปรมาติเนี่ยสำหรับผู้ที่มีศรัทธาและมีกิริยะนิมิตรที่ได้ศึกษามาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยจะต้องเลื่อนฐานะของสติสัมยะที่เพื่อปกป้องในฝ่ายรูปเนี่ยขึ้นมาเป็นสติสัมยาที่มาปกป้องในฝ่ายนามคือเมื่อก่อนนี่เราจเจริญสติสติสัมยาในฝ่ายสัญชตาตญาณที่เราจเจริญเพื่อ ปกป้องรูปนามนี่ให้พน้นรอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆ่างเกิดจากความหิวกระหายหเกิดจากการไม่มีที่อยู่อาศัยเกิดจากการที่ไม่มียารักษาโรคจากการหนีภยัยจากการปกป้องรักษาเผ่าพันธุ์ของตนด้วยการสืบพันธุ์ซึ่งสติสัญยาดที่เกิดจากสัรชาติยานเหล่านั้นเนี่ยมันเรียกว่าเราได้รู้คุณรู้โทษมันระดับหนึ่งแล้ว ก็ต้องมาเลือกว่าการที่เราไม่สามารถจะปกป้องเวทนาให้อยู่ให้ให้ไม่ให้ทําลายร่างกายโดยอาศัยสัญชตาตญาณแบบนั้นทีนี้ตัวเวทนาเหล่าเนี้มันเป็นสมุทัยที่จะให้เกิดความทุกข์ทางด้านจิตซึ่งเป็นตัวสมุทัยความทุกข์เกิดจากโดยการปกป้องรักษาลูกน้ำนี่ก็เป็น ความทุกขาักษณะเป็นเรื่องของตรลักษณ์แต่ว่าความทุกข์ที่เป็นให้เกิดกับจิตนะมันอาศัยนามรูปนะแปลจากเวทนา ม, มาเป็นนามรูปซึ่งเวทนาในระดับชั้นัตติยานคือเวทนาของรูปนามแต่เวทนาในระดับของนามรูปนั้นเป็นเวทนาที่ในระดับปรมัติษฐซึ่งเราจะต้องพัฒนากำลัง สติสัมปชัญญะเนี่ยให้ละเอียดประณีตขึ้นจนสามารถรู้เท่าทัน <c oughs> เวทนาที่มันจะไปแปลเป็นนามรูปต่อไปเนี่ยให้มากขึ้นซึ่งออกมาในรูปของความคิดปรุงแต่งนะที น, นี้ความละเอียดของสติสัมปชัญญะในระดับนี้เราก็จะต้องความต่อเนื่องได้มากขึ้นรักษาความต่อเนื่องได้มากขึ้นเหมือนกับ ชาวบ้านโม่แป้งก็ดีชาวบ้านตําน้ําพริกก็ดีเนี่ยซึ่งจะต้องตำอย่างต่อเนื่องมากขึ้นมันถึงจะละเอียดเนะีถึงจะละเอียดจากข้าวเอามาสีเป็นข้าวเขาเปลือกมันสีเป็นข้าวสารข้าวสารมาทําเป็นข้าวสุกหรือข้าวพร้อมที่จะเป็นทำเป็นแป้ง ต้องผ่านกระบวนการละงนีผ่านกระบวนการที่ละเอียดขึ้นซับซ้อนขึ้นและขกระบวนการที่จะทาเป็นแป้งออกมาเป็นแปลรูปเป็นขนมและอาหารต่างๆนี่นี่ต้องใช้กระบวนการชันใดก็ดีเวทนาที่ดิบๆจากเป็นเข้าแบบเข้าเปลือกเนี่ยก็มาเลาะกระเทาะเปลือกออกผ่านกระบวนการการสมรถะทางสมถะ เพื่อเอเปลือกออกพอมาได้ระดับหนึ่งเรียกวความทุกข์ทางกายมันลดลงเพราะฉะนั้นอารมณ์รูปนามคนที่เห็นอารมณ์รูปนามสามารถทําความทุกข์ทางกายให้ลดลงบรรเทาอันตรายต่างๆอันเกิดจากร่างกายไม่ว่าโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าการสูญเสียพระกําลังอันเกิดจากการกินอาหารการที่อยู่อาศัยการหนีภัยการเจ็บ การเพื่อพื้ผ่าพันุ์เนี่ยพลัง ก, กำลังที่เสียไปกับรูปนามที่เสียพลังไปกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องถูกลดลดลงนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยลงละเวทนาจะเบาบางถ้าเราสามารถที่จะเจริญสติในระดับต้นในระดับรูปนามได้ถูกต้องความทุกข์มันจะลดลงความทุกข์ในทางกายมันจะลดลงตามลำดับหรือว่ารูปโลก จะล ด, ดลงรูปทุกจะล ด, ดลงรู้จักหลักของอนิจจังรู้จักใช้หลักของอนิจจังทุกครังน้าตานีให้ให้ถูกต้องมากขึ้นเนี่ยในระดับรูปนามนะเพราะในในระดับรูปนามเนี่ยจะมีสัญญาณบอกเหตุอยู่3ประการว่ารูปนามเราชัดหรือไม่ชัดประการที่หนึ่งก็คือความสำคัญมั่นหมายในตัวเองน้อยลงนะไม่ติด อัตตาตัวตนเข้มข้นเหมือนเมื่อก่อนสัญญาณที่สองเมื่อก่อนเราเคยสงสัยว่านรกมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหมโลกหน้าโลกนี้มีจริงไหมผู้ประทุมประสงค์มีจริงไหมเนี่ยพอมาเข้าใจรูปนามเนี่ยความสงสัยระดับนี้จะลดลงหรือหายไปเลยมั่นใจในการตื่นรู้และเบิกบานมากกว่าเมื่อก่อนนะสัญญาณที่สมก็คือ ความอดตืถือดีตามทิฏฐิมรณะต่างๆที่เราเคยมีที่จะชนะถูกเถียงเอาชนะฆ่าค่าอะไรกับคนอื่นเนี่ยเรามีเบาบางลงหรือแทบจะหมดไปเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเข้าใจรูปนามที่แท้จริงสัญญาณสามตัวเนี่ยต้องอ่อนลงมาต่างําดับหรือหมดไปตามขั้นตอนของความเข้มข้นในสติสัมยะในระดับรูปนาม เพราะนั้นรูปนามในอารมณ์รูปนามเบื้องต้นเนี่ยไม่ไม่ไม่ธรรมดาถ้าเราได้ศึกษาเพราะว่าถ้าเราศึกษาเรื่องรูปนามผิดหรือเข้าใจรูปนามผิดเห็นรูปนามผิดเนี่ยมันมีผลต่อในช่วงต่ อ, ตอไปในขัดในระดับต่อไปเพราะนั้นถ้าหากว่าเราไม่มั่นใจว่า <c oughs> รูปนามเราจะเข้มแข็งเนี่ยเราจะต้องทบทวนตรวจสอบให้ดีทีเดียวเหมือนเราผสมอักขระพยัญชนะผิดแต่ต้นเนี่ย แล้จะอ่านหนังสือผิดต่อไปเรื่อยๆเราผสมเลขบวกลบคูณหารผิดเนี่ยพอเราไปหลักพี่ชกคณิตหลักอะไรที่ตีโกนอะไรขึ้นไปสูงแล้วก็ทำผิดไปเรื่อยเพราะนั้นเบื้องต้นที่สุดการอ่านออกเขียนได้ในแง่ของรูปนามการอ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดเนี่ยมันิ่มนะมัน ล, ม, นะ ม, นลมเหมือนกับเราเขียนอักษรพยัญชนะบวกลบคูณหารได้เป็น ในระดับรูมนาดังนั้นเองเราก็จะรู้จักบรรเทาเบาบ า, บางเรื่องทุกขเวทนาทางกายได้มากขึ้นในระดับรูปนามนีเป็นสัญญาณที่เราจะมองเห็นได้โรคไขยไข้เจ็บที่เคยเป็นก็จะเบาตัวลงเคยเป็นคนที่เราร้อนอุ่นวายอารมณ์เสียสิ่งหยาบยากทั้งหลายเนี่ยมันจะลดลงนีน่สัญญาณต้น ทีนี้พอพวกเราผ่านประสบการณ์ด้านนี้มาเนี่ยก็ต้องมาดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างสติสัมยะที่เป็นสันชัตยานกับสติสัมยะที่จะแปลงเป็นปัญญายานเนี่ยจุดเปลี่ยนมาอยู่ตรงไหนจุดเชื่อมต่ออยู่ตรงไหนถ้าหากว่าเราไม่มีโอกาสนั่งปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ยาวๆเนี่ยเราจะไม่เห็นชัดเจนมีคนถามหวพ่อเทียนว่าเราจะไปรู้จุดตัดตรงไหนระหว่างโลเคียกับโลหิตรัหลวงพ่อเทียนบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเทีย น, นบอกว่าเหมือนเมฆระหว่างเมฆสีขาวมันจะเปลี่ยนเมฆเป็นเป็นเมฆสีดำเนี่ยหาความมันตัดกันระหว่างดำกับขาวของเมฆ ก, ก่อนนั้นได้ถูกไหมว่ามันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงไห น, น เมฆสีขาวสีดำสองก้อนมันผสมกันหรือมันเปลี่ยนแปรรูปจากเมฆสีขาวเป็นเมฆสีดำหรือจากเมฆสีดำเป็นเมฆสีขาวเนี่ยเราจะหาจุดตัดระหว่างเมฆสองก้อนเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยมันกลมกืนมากดังนั้นเองท่านเปลียว อ, อีกอันหนึ่งว่าต้นไม้ที่มันโตโตขึ้นมาเนี่ยต้นสักต้นดูต้นแดงแตอนแรกมันไม่มีแก่นนะ มันไม่มีแกนมันมีแต่มอกแต่กระพี้พอมันเตวันัวคืนขึ้นที่การเปลี่ยนมันระหว่างเนื้อของกระพี้ที่จะเป็นแก่นเนี่ยมันแนบเนียนมากตรงนั้นแต่ว่าเราตรงนี้มันส่วนนี้มันหยาบมันสามารถมองเห็นได้ลักษณะที่รูปนามมันไปสร้างสาระภายในสร้างประมัดคือตัวแก่นในของมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้น เพราะนั้นเราจะรู้ถึงว่าต้นไม้ต้นนี้ยมันสามารถเกิดแก่นขึ้นในปีไหนเนี่ยเขาสามารถที่จะดูวงปีของมันเราจะเห็นลายไม้ลายไม้คือหมายถึงวงปีของการเติบโต ว, ว่าปีไหนบอกแรงบอกฝนว่าฝนมากฝนน้อยไงเขาจะดูวงปีปีไหนที่ฝนมากฝนดีวงปีก็จะหนาขึ้นปีไหนฝนแรงฝนน้อยวงปีก็จะบางนลักษณะความต่อเนื่องก็เหมือนกันความต่อเนื่องของ <c oughs> สติสัมปชัญญะที่เราทำคือตัวรู้เนี่ยมันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกไอตัวรู้เหมือนเดิมแหละเราใช้ตัวรู้เหมือนเดิมแต่ในอารมณ์ปรมาธนต้องการความต่อเนื่องของตัวรู้มิใช่ในระยะที่นั่งปฏิบัติการรความเพียรเท่านั้นแม้แต่ออกไปทํกิ จ, จกิจกรรมต่างๆจะเป็นอาบน้ากินข้าวทาครัวหรือทากิ จ, จกรรมต่างๆ ตัวรู้ตรงนั้นก็จะต้องประคองให้ต่อเนื่องเสมอปรมัดถึงจะมีโอกาสได้พัฒนาได้ในจุดของปรมัดเนี่ยต้องพัฒนาตัวรู้เป็นลูกโซ่แต่ไม่ได้หมายการกระทาเป็นลูกโซ่แต่ตัวรู้เป็นลูกโซ่ตัวรู้จากที่เรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ลุกไปนะเรายังเห็นตัวรู้ขณะนั่งและลุกไปในชัดหมนี่คือความต่อเนื่อง แต่ความกําลังของความต่อเนื่องี้จะเข้มแข็งส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยการปลดลบที่เพียนเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาสายอื่นเขาว่าจะทําความต่อเนื่องได้ยาวขึ้นอย่างสม่นว่าชุดแรกนี่เขาอาจจะทำระดับรูนำำ่นําทําแค่สิบวันระดับที่สูงขึ้นไปทำยี่สิบวันระดับที่สูงขึ้นไปทำสี่สิบวันในตรงนี้ย ที่เราจะเห็นบางสํานักก็ทําแบบนั้นคือเลื่อนเวลาความโตเนื่องในการประลุความเพียในรูปแบบนี้ได้ยาวขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะได้ไปเห็นความเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเวทนากับจิตเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างจิตเชื่อมต่ออารมณ์มันเชื่อมต่อกันอย่างไรซึ่งตรงนั้นต้องอาศัยการสังเกตอ ย, อย่าง ละเอียดและสูงยิ่งที่จะต้องเข้าไปสังเกตความต่อหนึ่องถ้างั้นเราไม่สามารถที่จะเข้าไปเห็นอารมดับอารมณ์ที่ยานที่สามได้คือการเกิดดับแต่หากว่าความเข้มข้นของสติสัมยาไม่ต่อหนึ่งจริงๆนะอันนี้คือโครงสร้างทั้งหมดในภาคปฏิบัติในชั้นคอรนี้จะมุนน่เน้นในเห็นความต่อหนึ่องระวางเวทนาต่อกายและ เออวทนาต่อกายต่อเวทนาเวทนาต่อจิตในระดับนี้ก่อนนะถ้าหากเราเห็นความสัมพันธ์ทั้งสองสามระดับนี้ได้ก็คิดว่าปรมัตย์ก็จะเข้มแข็งได้เร็วขึ้นเราจะเห็นความสําคัญขอ ง, ของการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าเวทนาทาง กายเปลี่ยน เ, เป็นทางจิตได้อย่างไรและเปลี่ยนเวทนาทางจิตเปลี่ยนเป็นเวทนาทางอารมณ์ได้อย่างไรเนี่ยจะเห็นความสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นว่างั้นเถอะ <c oughs> นั้นเองความต่อเนื่องในช่วงนั่งปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องฝึกสังเกตในแต่ละการเปลี่ยนท่าแต่ละท่าเนี่ย ความหนักเปลี่ยนเป็นเบาอย่างไรเบาเปลี่ยนเป็นหนักได้อย่างไรเนี่ยซึ่งเราก็ได้มีความมีประสบการณ์ตรงนั้นระดับหนึ่งแต่ทีนี้เวลาเรามาในระดับเนียระดับกลางเนี่ยเราจะต้องเห็นให้ละเอียดได้ได้มากกว่านั้นที่แล้วมาจากเวทนากายสู่เวทนาทางรูปไปสู่เวทนาเนี่ย เป็นตัวกลางนะไอ้ตัวเวทนาเป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างรูปกับนามเราจะเห็นว่าในขันห้านี่รูปเราก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเป็นนามล้นลนวนเวทนายังเป็นระหว่างรูปกับนามนามกับรูปนะแต่ในส่วนรูปนะเป็นรูปล้ว น, นนะทีนี้ระหว่างตัว เวทนาเนี่ยถ้ามันไม่ได้ถูกชำระหรือไม่ได้ถูกเอาตัวความเพียรอาตาปีเข้าไปดูตรงนี้ให้ดีการจะเปลี่ยนจากรูปนามเข้าไปสู่นามเนี่ยถ้าเรากลองตัวนั้นไม่ละเอียดมันจะต้องมีนามรูปมันต้องผ่านมันจะเป็นนามรูปเข้าไปและตามนูตามรูปนี่จะเป็นสมุ ท, ทยัยแต่ถ้ามันเปลี่ยนไปเป็นนามเลยเนี่ยมันก็จะเป็นนนโรธไปเลยนะ ดังนั้นตรงนี้ขั้นตอนที่ว่ามันยากระวังเวทนาทางกายไปสู่เวทนาทางจิตเนี่ยมันจะเวทนามันก็จะมีเวทนาสามตั ว, วเป็นตัวเชื่อมระหว่างสุขกเวาทนาทางจิตกับสุขเวทนาทางกายเชื่อมต่อกันอย่างไรความเบาสบายเนี่ย ป, ปลอดโปร่งทางกายมันไปสู่ความเบาสบายทางจิตได้อย่างไรไปสร้างความเบาสบายทางจิตได้อย่างไร ความหนักหน่วงท่วมทับความกวดเกรงของร่างกายไปสร้างความหนักหน่วงและความอึดอัดขัดเครืองทางจิตได้อย่างไรเนี่ยความเชื่อมต่อตรงนี้และความรู้สึกธรรมดาซื่อๆของร่างกายที่ยังไม่มีเวทนาอะไรชัดเจนเนี่ยมันไปสร้างความรู้สึกที่เป็นเปรียขาวเวทนาทางจิตได้อย่างไรซึ่งเราจะต้องตามสังเกต สามข้อต่อเนี่ยให้ชัดเจนไว้ก่อนในในคอร์สนี้นะอย่างน้อยให้เห็นความเชื่อมต่อสามข้อข้อกลางเนี่ยให้ชัดก่อนแล้วต่อไปในตัวของเวทนาที่เป็นผลจากสุขเวทนาทางกายมาเป็นสุขเวทนาทางจิตเ้าเรียกว่าโสมนัสเนี่ยนะ ในระดับนี้ไม่ได้รู้ตัวนี้ทในระดับต่อไปคำว่าโสโสมณัต ส, สเวทนาซึ่งเป็นเวทนาทางจิตมันไปเชื่อมต่อที่เป็นเวทนาทางอารมณ์ที่เรียกว่าอภิชาหรือความพึงพอใจความยินดีเนี่ยนะมันไปเชื่อมต่อตรงนั้นได้อย่างไรซึ่งในในขั้นต่อไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นในขั้นต้นในขั้นเนี้ย ซึ่งรูปนามของเราแต่ละคนให้ไปเช็ค ต, ตัวเช็ครูปนามของตัวเองให้ชัดเสมอ mm hmm. เพื่อที่จะมาตามรู้สุขเวทนาทางกายกับสุขเวทนาทางจิตที่ออกมาในรูปของโสมนัสสาวทนาเนี่ยให้ไปทุกนทนตรงนี้ด้วยนะก่อนที่เราจะนำไปสู่รายละเอียดซึ่งในตัวเวทนาทั้งสามเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างต่อเนื่องชัดเจน เพราะทุกครั้งที่เรามีการในทุกเรียบบทเนี่ยเวลาทั้งสามยังทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่การที่เราจะเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปตามรู้ตามดูตามเห็นได้ละเอียดในขั้นระดับไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับความแยบคายละขึ้นอยู่กับการสังเกตว่าจากหนักกลายเป็นเป็นเบาได้อย่างไรมันขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง แลนั่งไปานานๆทั้หนักขึ้นเรื่อยๆมันหนักขึ้นอย่างไรและความหนักตัวนั้นมันมีผลที่จะเป็นนามรูปได้ไหมเนี่ยอยู่ขึ้นอยู่กำลังของสติสัมยาล้วนๆเลยที่เรียกว่าอาตาปีนะพูดถึงอาตาปีในความ ความที่ความเพียรพยายามตามรู้ด้วยกําลังของสติสัมยาตานั้นอาตาปีสัมปชานุสติมาในสติปทานสูตรตัว น, นั้นท่านท่านท่านกำหนดเอาไว้เลยท่านล็อกเอาไว้เลยไม่มีอะไรมากกว่านั้นอาตาปีสัม ป, มปชานุสติมาแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าทำไมท่านจึงเอาสัมปชัญะมาก่อนสติมาแต่คนทั่วไปมีสติสัมปัญญะแต่พอในหลักปฏิบัติแล้วสัมปัญญะทำไมจึงมาก่อนสติ อาตาปีสัมปชานเวลาคนส่วนไม่สังเกตก็จะเป็นอาตาปีสติมาสัมปชานเป็นความคล่องปากไปแต่คนจริงในไปดูหนังตัวบทมันแล้วเป็น ส, น ส, นสติมาสัมปชานสัมปชานสติมาอัตาปีสัมปชานสติมาวินั ย, ยโยคีอภิชาโทมาอต์เพราะว่าตัวสัมชัญญะเนี่ยมัน เป็นเวทนาร่วมกับเวทนาทางกายได้ชัดเจนเวลาเคยเปรียบเทียบบ่อยๆว่าเวลาเราโยนก้อนหินหรือไม้ลงน้านิ่งๆเนี่ยเราจะเห็นว่าแรงสั่นกระเทือนของการกระทบเนี่ยมันจะตีวงออกเป็นวงเป็นรัศมีวงกลมเท่าๆกันเลยนะไม่มีไม่มีว่ามันจะเบี้ยวจะบุะ๋เท่าๆกันเลย ทันที่เราสังเกตเมื่อ น, นั้นการกระทบทางตาหูจมูกกลิ้นกายใจแต่ละครั้งเนี่ยมันจะตีวงออกแบบนั้นแต่ว่าวงในสุดเนี่ยมันจะหยาบวงนอกมันจะละเอียดลงไปเรื่อยๆสมมุติว่าเรานั่งอย่างเงี้ยเราเห็นการกระทบวงในสุดคือตะโพกกระทบกับผืนเนี่ยตรงนั้นจะเข้มหมายถึงว่าถ้าเป็นกระเพื่อมของน้ําคือคลื่นมันจะหยาบใช่ไหม ทีนี้การเฝ้าสังเกตต่อการกระทบตรงนั้นที่มันตีวงออกไปจากจุดที่แต่พวกขเรากดกับพื้นเนี่ยมันวงเข้มเราสามารถตามรู้ขึ้นมาได้ไหมว่าจากจุดที่ก้นกบเรากระทบขึ้นมาเนี่ยมันออกมาสู่แข้งขาเอวหลังไหลได้อย่างไรนี่คือการวงที่ตีออกมาอย่างอย่างกว้าขงข้ามา ถ้าเราสามารถตามรู้ได้ตรงนี้ตามรู้เวทนาได้ตรงนี้นั่นก็เรียกว่าใช้สัมปชัญญะแต่สติเป็นตัวชี้เป้าสติมันเป็ น, เ ป, นเป็นตัวเหนียวเหมืนก็ะตีละคังหน้าที่ของค้อนเนี่ยที่ที่ตีเนี่ยเป้งเนี่ยมันจบไปแล้วใช่ไหมใจเสียงจบไหมใช่ไหมกูเสียงจะได้จบมันยาวไปหลายวิธีเดียว แต่ว่าช่วงที่ค้อนตีเนี่ยมันเชี่ยววินาทีนะแต่ช่วงที่เสียงมันยังคงค้างอยู่เนี่ยมันหลายวิกว่าจะหมดชั้นใดก็ดีท่านเป็นเน้นที่ตรงนั้นเน้นที่การดํารงอยู่ของเสียงคือลักษณะของสัมปชัญญะให้ไปสังเกต ต, ตรงนั้นแต่ตัวผัษาะนี่สังเกตยังไงก็ไม่ทันน้อกเป็นธรรมชาติไม่ทนนันเนาะแต่ไปทันที่สัมปชัญญะก่อนเพราะนั้นให้ท่านที่เอาสัมปชัญญะขึ้นก่อนนะ ไปสังเกตให้ชัดไม่ว่าตีละครตีแม้แต่ของโยนน้ําก็ตามเนี่ยวัตถุมันกระทบใค่เสียวินาทีจบละใช่ไหมแต่สิ่งที่คงค้างเหลืออยู่คือกาวแรงกระเพื่มของวัตถุวงของน้ำํำนะพอเรานั่งไปเนี่ยใค่ค้นกระทบจบละใช่ไหมแต่จากนั้นนะคือแรงกระเพื่มของการ ทุกเวทนาที่กดทับลงไปด้วยความแรงดึงดูดของโลกเนี่ยมันก็กระจายไปเรื่อยๆยิ่งนานไปยิ่งนานไปเนี่ยแรงก็เพิ่มก็ยิ่งยิ่งถี่ขึ้นเรื่อยๆนะดังนั้นการสังเกตให้ในลักษณะที่เป็นนา ม, มาธรรมเนี่ยให้ดูจากรูปธรรมตัวนั้นเป็นเป็นเกณฑ์เลยก่อนในแง่ของนา ม, มาธรรมเราจะเห็นว่าท่านทำสั ญ, ญลักษณ์ออกมาเวลาพุทธลูบหรือพุทธเจ้า ประทับอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะเห็นวงรัศมีรอบเสียนของท่านรอบพระเกสาของท่านใช่เป็นวงกลมใช่ไหมเขาเรียกตรงนั้นว่าฉับพรังสีนะแต่ว่าได้ในแง่ของรูปธรรมไม่ได้หมายถึงอำนาจฤทธิ์เดชปฏิหารหรือความวิเศษของพรทุทธิอวาจะต้องมีอย่างนั้นแต่มันเป็นอุปมาว่าในแต่ละ การกระทบเนี่ยทั่วร่างกายเนี่ยมันจะออกมาเป็นรัศมีอย่างนั้นรัศมีเงี้ยแล้วรัศมีเนี่ยไปรับรู้อยู่ที่จิตท่านก็เลยว่าเอาตัวรัศมีเนี่ยมาไว้ที่พระเศียรจ้จิตมันก็ทํางานเรื่องกว่สมองเนาะเอาไว้ที่หัวแม่เอาไว้ที่กลางหลังหรือหน้าอกเอาไว้ที่หัวนะเรียกฉับพันหลังศีนั่นเป็นอุมาเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของการกระทบออกมาตัวรู้ตรงนั้นนะ แล้วตัวรัศมีตัวนี้มันจะออกมาเป็นรัศมีของตัวรู้เมื่อมีสติสัมปชัญญะเข้าไปตามรู้เท่านั้นมันจะออกมาเป็นรัศมีของญาณของปัญญาของวิ ช, ชาอะไรกว้างออกไปเรื่อยเปลี่ยนจากรัศมีของทุกเวทนาทางกายให้เป็นรัศมีของตัวรู้ทางจิตโดยผ่านสติสัสมปชัญญะเนี่ยตอนั้นเวลาเราออกไปหรือลุกไปแต่ละครั้งเคลื่อนไหวแต่ละครั้ง มันจะมีเวทนาเล็กๆเ้เน้อยเต็มไปหมดแต่การที่เราสามารถที่จะไปตามรู้เวทนาต่างๆในการเคลื่อนไหวเหล่านี้ให้เป็นกำลังของตัวรู้ของญาณได้นั้นหมายถึงว่าเราจะต้องมีกำลังสติสำยาที่เร็วพอได้กำลังสิส่งนีที่เร็วมันก็ต้องฝึกฝนฝึกฝนไปจากความเพียรที่เองจะใช้ของความเพียรอันนี้คือคอนเซปต์หลักๆในการสังเกต แต่ในส่วนที่สนับสนุนนะในตัวที่สนับสนุนทําไมสติปัญสี่ท่านจริงตามด้วยสัมมาปัญสี่เพราะสัมมาปัญสี่เป็นตัวแรงหนุนที่สําคัญที่จะให้ตัวสติสมตัมญาเนี่ยชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะในตัวสัมมาปัญสี่มีอะไรบ้างหนึ่งก็คือคือเฝ้าระวังเฝ้าระวังว่า ขณะที่อะไรที่เราจะกระทบจะทำอะไรแล้วเราเฝ้าระวังดูว่ามันจะจิตของเราไปร่วมกับจิตของเราเนี่ยไปร่วมรู้ไปร่วมรับรู้กับสิ่งที่เรากำลังจะเคลื่อนไหวแต่ละครั้งไหมคือเฝ้าระวังไม่ให้จิตมันฉลบออกไปในเรื่องอื่นเว่าไถึให้มาเฝ้าดูตามมันเนี่ยถ้าจิตฉาบออกไปปั๊บเนี่ยขณะของการกระทบที่จะ เป็นขึ้นให้เห็นเวทนาหนักเบาเนี่ยมันจะไม่ทันเลยมันไวมากในในแง่ของภาคปฏิบัติแต่ในแง่ของผลเนี่ยเราไปเฝ้าระวังอคุศนและจิต ท, ที่ยังไม่เกิดแล้วก็อยาให้มันเกิดขึ้นที่เกิด ข, ข, ขึ้นแล้วต้องทําให้มันหมดงนั้นเป็นส่วนเป็นผลนะฮะแต่ส่วนที่เป็นเหตุต้องไปอย่างนี้ในส่วนที่เป็นผลไปเฝ้าระว่าเฝ้าระวังนิวรณ์ต่างๆที่มันเกิดเป็นผลสืบเนื่องจากตัวนี้ซึ่งผู้ปฏิบัติบตเบื้องต้น ที่ยังไม่สามารถเข้าใจในตัวปรมัตดตรงนี้ได้ท่านให้ไปเริ่มให้ดูตัวหยับหยาบก่อนซึ่งเวทนาของผู้ใหม่เนี่ยมักจะหยาบ ก, กว่าเวทนาของผู้ที่มีประสบการณ์แล้วเป็นคลื่นเลยว่างั้นเถอะเป็นคลื่นหยับหยาเพราะการกระทบมันแรงเพราะการกระทบที่ไม่มีเจตนาส่วนใหญ่การกระทบด้วยความเคยชินนะเหมือนเราล้มอย่างเจตนาจะล้มกับมันล้มโดยไม่เจตนาเนี่ย มีผลต่างกันไหมคุณอุ้ออยต่างยังไงใช่ไหมถ้าไม่เจตนานะก็นนะคืออบุบัติเนต์ดีๆนี่ใช่ไหมความเจ็บปวดถู่นเสียก็เกิดขึ้นลักษณะของเวทนาของผูุ้ชนทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นเป็นอุบัติเหตุทุกครั้งเพราะนั้นความทุกมันจึงเกิดที่ค่อนข้างยากผู้ดุชนทั่วไป แต่ผู้ได้ฝึกฝนแล้วเนี่ยความทุกข์จะละเอียดขึ้นเพราะเป็นเวทนาส่วนใหญ่เป็นเวทนาที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นการขาดสติโดยร้อยเปอร์ซนตแต่ขาดสติที่เปอร์เซ็นต์ต่ำลงมามีการระวังอยู่ระดับหนึ่งแต่เนื่องจากอาสาวะเรายังมีอยู่ใช่ไหมการเฝ้าระวังจึงไม่ได้ร้อยเปเซนตเี่ยสังวรประธานมีผลตรงนั้นเฝ้าระวัง ในที่เป็นเหตุนีในภาคปฏิบัติทีนี้ต่อมาเนื่องจากว่าเรามีอาสวะอยู่เพราะาระวางขนาดไหนมันก็ไม่ได้ล่าเปอเซนอยู่ดีใช่ไหมมันจะต้องมีแฉลับให้เกิดการเสร็จเหลือเข้าไปจนได้เป็นนามรูปจนได้แหละแต่นั้นวิธีการก็คือรู้ว่ามันเกิดนามรูปปั๊บต้องสลัดทันทีเป็นเรื่องเวลาต้องต้องสลัดให้ไวที่สุดถ้าเรื่องประหาร เพราะยังไง ร, ระวังไ ม, ไม่ได้เต็มที่เราถ้าสมมติได้ล้อยเต็มที่แล้วไอ้สังวรพวกสมมระประธานสีมันก็สมบูรณ์แล้วว่างันเถอะอันนี้มันยังสมบูรณ์ไม่ได้เนึกถึงว่าอาสวะเรายังไม่หมดมันก็จะต้องเข้าไปจัดการเอาสติเอาตัวสมปะชญาจะทำหน้าที่เป็นปัญญาตรงที่เข้าไปสลัดความนามารูปออกแต่ในระดับหยาบกลางละเอียดก็ตา่างตัวนี้สัมประญาที่ทําหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว ที่จะเฝ้าระวังนี่นะหลับปัญญาละก็สลัดออกไปทีนี้ในขั้นที่สลัดเนี่ยเราสลัดได้เสด็จน้ำแค่ไหนขึ้นอยู่กำลังของปัญญาละาบางทีสลัดไปปั๊บกลับมาใหม่ใช่ไม่มเรื่องเดียวน่ะสลัดตั้งหลายครั้งมันไม่ไม่ไมไมเด็ดขาดกลับมาอีกสลัดอีกเฝ้าสลัดอยู่งั้น ในช่วงที่เราสลัดแล้วสลัดอีกสลัดแล้วลมันเกิดทักษะเกิดประสบการณ์เกิดว่าสีของตัวปัญญาปัญญาดังนั้นได้รับการฟอกฝนนะเพราะเกิดจากประสบการณ์เพราะฉะนั้นตัวปัญญาจากภาคเหตุคือภาคปฏิบัติต้องเป็นปัญญาแบบประสบการณ์ลว้ลวนๆเลยนะไม่มีการความคิดเข้าไปปนเลยนะต้องประสบการณ์ล้วนทีนี้ในขั้นที่สามท่านบอกว่าจะมัวฟอกสลัดแล้วสลัดอีก โดยที่เราไม่เพิ่มกําลังของตัวสติสัมยาเนี่ยสลดเท่าไหร่ก็ไม่หมดดังนั้นในการที่ว่าภาวนา ป, ประทานเนี่ยท่านให้เพิ่มกําลังสติสัมยาให้มากขึ้นด้วยการทําความเพียรแบบต่อเนื่องที่นี่นี่ตัวสําคัญมนะั่นเพราะฉะนั้นความเพียรต่อเนื่องหมายถึงการตามรู้อย่างต่อเนื่องเพิ่มกําลังสติสัมยะต่อเนื่องให้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะชัดเจนแบบสบายนะ ถ้าหากว่าความหมายเของว่าชัดเจนหมายถึงเพ่งหมายถึงตั้งใจอันนั้นไม่ถูกแล้วนั่นจะเป็นตันหาวประธานเขาแทรกทันทีตรงนี้สําหรับผู้ที่มีประสบการณ์มาไม่ถูกต้องไม่สามารถปฏิเสธอํานาจของตันหาวประธานได้เลยมันจะต้องตั้งใจมันจะต้องเผลอตั้งใจนะเผลอเพ่งเผลอกดเผลอจ้องเพราะฉนะ ะ, ะ, ะ, ะ, ะนั้นถ้าหากเรารู้ว่าเราไปตรงนั้นเรารู้สึกทำไม่ได้คือเครียดเราต้องกลับมาตั้งทบทวนที่รุ่มนามกับเวทนาใหม่ ทุกครั้งเมื่อเมื่อรู้สึกว่ามันหนักไปต้องกลับมาตั้งต้นที่รูปนามใหม่เพราะนั้นอย่าเห็นว่าเออเราผ่านอารมณ์รูปนามแล้วไม่ต้องไปใช้ไม่ใช่นะที่เราตั้งไว้เป็นต้นให้ถูกต้องเผื่อมีปัญหาอะไรข้างหน้ากลับมาตั้งต้นใหม่แล้วเข้าไปใหม่อย่างพวกหลงทางอะ่ะใช่ไหมถ้าหาว่าคุณเมื่อกลับมาตั้งต้นใหม่นะมันไปข้างหน้ามันหลงไปเรื่อยๆนะ แต่สมัยนี้มันพัฒนานะคุณไม่จำเป็นต้องกลับมาตั้งต้นใหม่คุณหาทางออกไปข้างหน้าต่อไปเลยเพราะถนนมันเชื่อมกันหมดอันนี้เรื่องของนา ม, มาทำทำงางันไม่ได้นะเพราะเรายังไม่ชำนาญไงแต่คุณชำนาญทางแล้วหลงทางคุณไม่ต้องมาตั้งต้นใหม่ก็ได้คุณหาทางออกทางอื่นแต่เรายังไม่ชำนาญทางเราต้องกลับมาตั้งต้นใหม่ามาเคยไปจำบันซายิพาลาสในปีสองหแต่ในช่วง จะมาปฏิโมกที่เราจำพรรษาที่ส่วนโมกที่ผาลาดเท่านั้นแต่ในช่วงระหว่างที่ยังไม่ถึงวันพระเนี่ยมาไปไปบาเพ็ญอยู่ที่โดยปุยที่เชียงใหม่โดยปุยเป็น ว, วัดวัดหนึ่งวัดธรรมายุทอยู่หลังปูพิงด้านหลังนั้นไปแล้วนะก็ไปนั่งเจริญสติยอย่างนี้แหละทีนี้ช่วงกลับเนี่ยเราไม่อยากจะ ลงทางรถนะมันยังต้องเดินออกมาหารถแล้วก็คนเยอะเพวกนักท่องเที่ยวมเข้าไปเที่ยวหมู่บ้านชาวเขาข้างล่างทีนี้เขาบอกว่ามันมีทางลัดจากลอยปุยไปหาภาระลาดนี่แทนที่จะเป็นเกือบสามสิบโลแต่ทางลัดตรงนั้นมันใช้ใชระยะทางแค่สิบสิบโลเนี่ยถึงแล้เราก็เลยในวันหนึ่งก็ลองเลืนลัดดูมึงคนกองวิดีโออยู่ข้างบนควรเอาไปใช้ในในกระเป๋า ทางลัดดูก็ปรากฏว่ามันไปตามเส้นทางของชาวคนเขาที่เขาเดินไปตามได้ตามส่วนเขามันมีทางหลักเขาแน่ไปไปทางเส้นนี้พอไปทางบางไปถึงบางจุดตรงกลางทางเนี่ยมันมีสามแพ่งสี่แพงห้าแพง่แพงที่เราไม่เคยเดินลัดเนี่ยเราไม่รู้จะเลือกไปทางไหนใช่ไหมเราก็ตัดสินใจโดยเความันเส้นเนะน่าจะไปทางนี้ดูมันโล่งๆนี้เข้าไป พอไปแล้วมันจเหลิดไปคนละเขาคนละลูกเลยไปถามข้าหน้าอันนี้ทางไปเันนทางผาลาดโอ้ไม่ใช่มาไกลแล้วต้องกลับคืนไปทุกต้นใหม่มันแทนที่จะไปซ้ายกุณไปขวานะกลับมาตั้งต้นใหม่เอาไปได้สองสามกิโลไปเจอสามแพ่งอีกแล้วตรงนี้ชักโอ้โหลงทางไปริมข้ามเขาไปไปลูกๆจะมองหาคนถามแล้วทีนะี้จนกระทั่งไปถึง อาลาดเย็นเปียกมะลอกมะแลงนยฝนตกชันใดก็ดีการที่เราเข้าไปดูอารมณ์ในรายละเอียดต่างๆแล้วรู้สึกว่ามันเผลอมีความคิดเข้ามีความเข่งเกรงเพ่ ง, งจ้องขึ้นปับ๊บกลับมาตั้งต้นทุกที่รูปนามใหม่กลับมาขยับหาหนคกหาเบาหยาบหยาบนี่ใหมแล้วเข้าไปใหม่อย่างนี้เรื่อยไปเราจะไม่หลงทางแต่ถ้าถ้าะเลิดไปเลยนะเข้าไปในความคิดเลยนะทีนี้หลงไปหลายแง่เลยทีนี้ หล ง, หลงอาลมณ์ทั้งนั้นพวกที่เป็นวิปัสนูคุณเป็นจินตยานที่หลงเข้าไปในอารมณ์ต่างๆก็เพราะว่าไม่ยอมตั้งต้นใหม่แล้วก็ไม่ยอมพบกริริยานมิตรอั่นเองคือคือไม่ยอมไปถามผู้ถามคน่ะหลงทางก็ฉันก็ไปมันองเรื่อยๆมันก็หลงไปกับทางต้นไม่ถูกเลยทีเนี้ยตรงเนั้นเป็นวิปัสนูถ้าวิปลาสก็ไปเลยทีเนี้ยไปห อ, อกที่ไหนไม่รู้ละมันไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องการนะ อันนั้นเองในภาคปฏิบัตินะฮะนะเบื้องต้น เ, เราทานเจ็ดโมงกันอยู่ว่างหรือเึ็ดให้ครึ่งขวาเขาเสร็จเ ร, รื่อูๆนะเสร็จของดีแล้วครับ อ, อันนั้นเองในช่วงแรกนี่นะให้ไปทษทวนดูว่าอารมณ์รูปนามเชื่อมต่อกับจิตเนี่ยมันต้องผ่านนามารูปหรือไม่ต้องผ่าน ขึ้นอยู่กับสติสัมยะว่าเร็วแค่ไหนถ้าสติสัมยะเร็วและละเอียดมากอารมณ์รูปนามก็ไม่ต้องผ่านอารมณ์นามรูปไปสู่อารมณ์ปรมัตัเลยเวทสมนามลว้ลวนเลยนั้นอยู่ที่ว่าประสิทธิภาพของตัวสติสัมยาในการภาวนาต่อเนื่องภาวนาประทาน ตัวลังสุดที่เรียกวนุลักษนาคือการที่จะตามรักษาไอ้ตัวกําลังของสติสัมยะไว้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะนะเพราะว่าสติสัมยาในระดับรูปนาม ม, นมันต้องอยู่ในอํานาจของการเกิดดับของรูปอยู่มันเกิดแล้วก็ดับมันรู้แล้วก็หลงรู้แล้วก็หลงรู้ ก, ก็ลืมแต่ว่ามันได้หมายความว่าเรามาให้หลงเรามาให้ลืมนะแต่ทำไงให้ อายุของการหลงลืมเนี่ยให้สั้นที่สุดนะให้สั้นที่สุดเพราะมันหน้าที่ของมันมันต้องเกิดดับตามธรรมชาติของมันแต่ตัวรู้เนี่ยตัวรู้คือกําลังของสติปัญญาที่พันพันมาเป็นปัญญาเป็นญาณเนีมันอยู่นอกเหนือกฎของใจรักคือนอกเหนือของการเกิดดับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะไม่เกิดดับตามรูปนามหรือนามรูป พอพอตัวรู้ตัวนี้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆตัวผลอกับตัวรู้ตัวหลงกับตัวรู้มันลดระดับลงมาใกล้เคียงกันนะมันจะทันกันว่างัา้นเถอะแต่ที่คนทั่วไปเนี่ยตัวหลงร้อยหนึ่งตัวรู้มันจะมีเท่าสิบเปซ็นต์ยี่สิบเปซหรือไม่มีเลยนะ อย่างพระโสดาบันเท่าตัวเผลอร้อยหนึ่งพัสดาบันต้องได้ยี่ห้าขึ้นแหละจนรู้ทันยี่ห้าครั้งหลงไปร้อยหนึง่งรู้ยี่ห้าพระสกีนาคาหลงไปร้อยหนึ่งรู้ห้าสิบพระนาคาหลงไปร้อยหนึ่งรู้ถึงแปดสิบแต่พระราหันหลงเท่าไหร่รู้เท่านั้นหลงเท่าไหร่รู้ทันกันหมดดังนั้นเองความเหลื่อมล้ําที่เป็นนามรูปจะ หยาบหรือละเอียดขึ้นอยู่กับความรู้ความหลงเนี่ยอยู่ในอาัตราส่วนที่ห่างกันแค่ไหนแก๊บมาตรงเนี้ยห่างแค่ไหนถ้าแก๊บมันยิ่งห่างเท่าไหร่นามาลูกก็หยาบมากเท่านั้นแก๊บมันยิ่งถีตรงเท่าไหร่นามาลูกก็ละเอียดมากขึ้นเท่านั้นเมื่อหยาบถ้าหยาบมากกวามันจะนักถ้าละเอียดมันก็จะเบานะดังนั้นนะจุดเนี่ยอยากจะให้ไปทบทวนดูว่าอารมณ์รูปนามหมายถึงการตามรู้ ในส่วนหยาบๆเนี่ยทันบดญไหมเบาหนักในส่วนหยาบๆของลูกสบายไม่สบายในส่วนของลูกชอบไม่ชอบในส่วนของลูกในส่วนของนาง ม, มารูปเนี่ยมันยังมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเพราะอย่าลืมว่าตัวเบาตัวหนักเนี่ยมันก็ออกมาเป็นความชอบไม่ชอบในแง่ของเวทนาทางจิตแต่ในส่วนของแต่เพราะเหตุไรใน การสรุปท่านถึงใช้ของอภิชาและโทมนัททำไมจึงไม่มีอุเบกขาสามารถว่ากำลังของ ส, สติสัมยะดีแล้วเนี่ยสามารถขจัดอภิชาและโทมนัทได้นี่ง่ระดับของจิตนแต่ตัวอทุกขมสุขเนี่ยหายไปไหนพเพราะในงียของเวทนาทุกขมสุข พอมาเปลี่ยนเป็นไอ้นามรูปเบื้องต้นมันเป็น อ, อุเปขฆาเวทนาใช่ไหมเขาเรียกว่า อ, อปุปเฆาเวทนาโ ส, สมนัสโทมนัส อ, อปุปเฆาใช่ไหมแต่พอในแง่ของออกมาเป็นตัวไอ้ที่สามเนี่ยทำไมจึงเหลือแค่อภิชาและโทมนัสนะนะพิจานาแทนที่จะมี อ, อุเปขาตามมาด้วยนะตรงนั้นท่านบอกว่าตัวรู้ สติสัมยาติที่แปลงเป็นตัวรู้ได้ชัดเจนเนี่ยมันได้เปลี่ยนตัวเข้าไปแทนที่อเุเปขาคือรู้ซื่ อ, อไอตัวรู้ซื่อเนี่ยมันก็จะไม่เกิดเป็นโมหะหรือทิฏฐิมันก็เลยมีแค่ว่าอาภิชาไดโทอภิชาไดโทนะั่นคือความายินดียินร้ายนะพอตัวรู้เข้าไปทำหน้าที่แทนปับ๊บรู้แบบหยบยาบ ก็ยินสองตัวแต่พอไปท่าตัวรู้ตัวนี้มันอ่อนลงมาปั๊บเนี่ยมันก็จะเลยตัวยินดียินร้ายไปเป็นยินร้ยนายมากกว่านั้นคือเป็นราคาโทสะตัวนี้โมหะถึงตามมาที่ระไงถ้าหากว่าตัวรู้ไม่ละเอียดคอโมหะตามมาตัวรู้ได้ที่ระดับหนึ่งมันออรู้ทันยินดียินร้ายปั๊บโมหะไม่เกิด แต่ยินดียิลยคุณก็ยังไม่รู้เท่าทันปั๊บมนันกเกิดมหะราคาโทรศัพท์มเติบโตขึ้นมาตามไรดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยให้ซักซ้อมระหว่างตัวรูปนามกับนามรูปโดยมีเวทนาเป็นตัวกลางเวทนาทางกายเราดูที่เวทนาทางกายกับเวทนาทางจิตเชื่อมต่อกันอย่างไรเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวการลุกการย่างการก้าวอะไรแต่ละอย่างเนี่ยเรายยงประคับประคองแบบสบายสบาย แต่ถ้าหากว่าเราสึกว่าเผลอเข้าไปเป็นเผลอเข้าไปเพ่งเผลอเข้าไปตั้งใจบ่อยเข้าบ่อยเข้าแสดงว่าเออการตามรู้ทางลูกนามของเรายังไม่เข้มแข็งพอกลับมาตรงนี้รู้สึกเออการตามรู้นามรูปเข้มแข็งพอก็คือสามารถบำบัดทุกเวทนาได้ดีนั่นเองไม่แช่ไม่หลงไม่เพลินในเวทนาทางกายถ้าเรายังเผลินเผลอแช่เผลอเซพอยู่ถ้าไป สุขเวทนาทางกายล้วก็ไปแช่แล้วไปเสพอ่ะตัวนั้นไปละไม่ทันนะเนี่ยถ้าเป็นสุขเวทนาเรามาเราพยายามที่จะอดกั้นอดทนหรือหอแยกแล้แยกไม่ออกระหว่างว่าความพยายามที่จะสู้กับเวทนาที่ไม่ต้องการจะเปลี่ยนเนี่ยมันจะเข้าแฉลบเข้าไปเป็นความอึดอัดหรือความไม่สนุกความเบื่อหน่ายข้างในได้ต่อไหนเนี่ยตัวนี้ละเอียดทีเดียวนะในชั้นนี้ก็ยังว่ายากอยู่นะ นั่งอ่ะสังเกตว่าเรานั่งสมมติว่าเราเปลี่ยนทุกสามนาทีกับห้านาทีกับลุกเปลี่ยนทุก10บนาทียี่สิบนาทีผลต่อจิตต่างกันอย่างไรเวทนาที่เรานั่งนี้นะก็เวทุลลองดูเองบางคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนนั่งไปสิบนาทียี่สนาทียังกายก็ยังพอหนุ่งนวลจิตใจก็ยังรู้สึกปลอดโปร่งสบายดีอยู่แต่บางคนนั่งไปสินาทีแล้รู้ึกอึดอัดละ ใช่มเวทนาที่มันตอกย้ำตรงนั้นรู้สึกอะไสําหรับคนอินทรีย์ยังไม่เข้มแข็งกค่ยิ้มรู้สึกอะไรมีความยากเปลี่ยนจิตก็แฉลาบออกละตัวทุกเวทนานั่นเองถ้าหากว่าสติสัมมาญเราตัวรู้ของเรายังไม่เข้มแข็งสัญญาณแรกว่าทุกเวทนานั่นเองจะทําให้จิตแฉลาบออกไปคิดได้ง่ายนะพอเราถ้าไปแช่หรือไปเพลินในทุกเวทนามันจะออกมาเป็นตัวเผลอ ถ้าจะไปแช่ไปเสびในสุขเวทนามันจะออกมาเป็นตัวเพลินเพราะนั้น ส, สัญญาณแรกของตัวแช่หรือเสพสุขเวทนาก็คือตัวเพลินคือเอนจอยมันจะออกมาแล้วตัวเพลินนี่ก็จะออกมาจากความซึมความง่วงแต่ตัวเพลินออกมาเป็นความคิดฉแฉลบออกไปเรื่องน้นเรื่องนี้ดูสัญญาณตรงสัญญาณตรงปลายมันว่าเราตอนนี้เราเราง่วงหรือเราคิดนะ ก็ส่งไปออเรามาปรับที่เวทนาทางกายคือความหนักความเบาควา ม, บาวามสบายไม่สบายใหม่ปรับตรงนี้ใหม่ทุกครั้งเมื่อเผือต้องปั๊บมาปรับตรงนี้ใหม่ปรับโดยการเปลี่ยนอบถการเปลี่ยนอบทในการเปลี่ยนอิรบถตรงนั้นสําคัญการเปลี่ยนหนักไปสู่เบาเบาไปสู่หนักมีผลทําให้สติญยะมีกําลังหรือไม่มีกําลังอยู่ในช่วงต่อระหว่างการเปลี่ยนนะ ซึ่งรายละเอยียดตรงนี้ไ ป, ไปไปไปพยายามสังเกตศึกษาดูก่อนก็ได้กันอย่าเพิ่งโดดเข้าไปทำเยอะถ้าโดดเข้าไปทำเยอะมันเผเป็นความอยากหละตลอดถึงเ อ, ยอยเียบดอยนะฮะการลมหายใจพับตาปากเลื้ยวซ้ายไหลขวาอะไ ร, ะไรต่างเเป็นจุดที่เบื้องต้นเนี่ยอารมณ์รูปนามต้องซับซ้อนาให้เข้มแข็งเพราะว่ามันเป็นที่ตั้งของอารมณ์ เพราะตัวนามรูปที่จะแปลงมาเป็นตัวความคิดเนี่ยมันก็มีไม่ไม่บ่อยเท่าไรหร่แล้วส่วนใหญ่มันทรงเป็นนามรูปชอบหรือไม่ชอบอยู่ในระดับหนึ่งนะแต่ความชอบไม่ชอบนี่จะไปแปลงเป็นตัวสังขาร น, น่จากเป็นสัญญาเป็นสังขารได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ย ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะมาสังเกตตัวหนักเปลี่ยนเป็นเบาปเปาเปลี่ยนเปนหนักได้ได้ชัดแค่ไหนนะถ้าตรงนี้ชัดเจนเสมอแล้วมันก็จ ะ, ะถึงไปเปลี่ยนเป็นนมามรูปมั น, ม, น, ม, นมันก็ไม่ขยายวงไม่ขยายวงมากเท่าไหร่เหมือนเราวางของลงกับน้ํานี่ยนะผิวน้ํานิ่งๆเนียนะแล ว, วางวางหนักกับวางเบาเนี่ผลต่างกั็นไหม วางหนักแรงเป็นไงวงกว้างละเอียดใช่ไหมถ้าวางเบาวงจะแคบแนละถี่ละเอียดถล้วก็จุดไวใช่ไหมมันไม่กระเพื่อมนานนะเดี๋ยวมัก็จุกนั้นการน้ําวางน้ําหนักการกระทบหนักเบาเนี่ยถ้าเราค่อยวางค่อยสังเกตเนี่ยการกระทบมันก็จะเบาถึงกระทบก็จริงแต่ว่าวงกระเพื่อมก็ ม, มันจะแคบแล้วก็จุดไวนะ นั่นในเรื่องการศึกษาในเบื้องต้นในแง่ของรูปนามเป็นนามรูปเล้กาแยกนามรูปออกแยกรูปนามก็ถือว่าเป็นอารมณ์รูปนามแยกรูปนามถึงว่าจะไม่ชัดเจนทีเดียวเราก็ศึกษามันไปเรื่อยๆในขณะที่ศึกษาการแยกรูปนามชัดไม่ชัดเนี่ยเราก็ศึกษาเรื่องนามรูประหว่างความรู้กับมโนภาพที่มันเกิดขึ้นในตัวรู้ที่เรียกว่านามรูป คำว่านามรูปหมายถึงว่ารูปที่เกิดในนามเช่นการกระทบตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นเรื่องของนามรูปใช่ไหมแต่การกระทบที่จิตเป็นการกระทบหนึ่งตาูองจมูกลิ้นกายเป็นเรื่องของรูปนามแต่การกระทบเข้าไปที่จิตและเกิดเกิดรูปเนี่ยเป็นเรื่องของนามรูปน่ะไปกระทบที่จิตเพราะฉนั้นรูปจึงมีสองรูปรู ป, ประธาต์และมหาภูต ร, รูป รูปขันหมายถึงนามรูปนะเพราะอาศัยการศึกษาและปฏิบัติกับรูปนามเราถึงไปจัดการกับ น, นามรูปได้ถ้าเราไม่เริ่มต้นจากรูปนามแล้วมันจะไปศึกษาเอานามรูปไม่ได้เนะพราะสติสัมยัตตรงนั้นไม่ไม่ไม่ละเอียดพอที่จะไปศึกษาได้ แต่นามารูปที่มันปรากฏผลออกมาแล้วเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงเป็นอารมณ์นำรูปแบบชนิดหยาเป็นผลเลยงั้นก็สําหรับผู้ปฏิบัติไม่ต้องไปศึกษาที่ผลผู้ปฏิบัติมาต้องศึกษาที่เหตุแต่คนทั่วไปสเสวยผลอยู่แล้วนะความพอใจไม่พอใจถ้าพอใจก็แสดงความพอใจออกมาความไม่พอใจก็เกิดแสดงความไม่พอใจมาคนทั่วไปที่ยังไม่ได้ฝึกฝนก็มีอาการอย่างนั้นอยู่แล้วเพื่อไปไปรู้ที่ผล ผลนี่มันสายซะละนะนั้นเราก็ผู้ปฏิบัติต้องเริ่มต้นที่เหตุเสมอเขาหนักคำว่าธรรมะนี่แปลว่าเหตุด้วยได้ดนะ้วยในสัพนิจธรรมอัถนธรรมันยุตตาอัถนยุตตารู้จักเหตุธรรมันยุตา ร, ร, ร, ร, รู้จักเหตุอัถนยุตตารู้จักผลนั้นธรรมะเรานีนะรร้นนเป็นเหตุการปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติที่เหตุนะสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุนะก็มาดูตรงเหตุตรงนี้ ถ้าหากว่าดุจจากเหตุไปแล้วมันก็จะกลายเป็นผลส่วนจะผลมากผลน้อยผลยาวผลละเอียดขึ้นอยู่กับกําลังของการเผลอหรือกําลังของสติสัมยะเรามีเข้มแค่ไหนในอสัมยมีเบาบางผลก็จะหยาบขึ้นถ้าสติสัมยะมันเข้มขน้นผลก็จะน้อยลงมันทันเหตุนะดังนั้นเองในคอทของพวกเราก็คงจะมาศึกษากันในระดับนี้นะถ้าไม่ไหวก็บอก เฉ <g arden> ะนั้นการนั่งจะยาวขึ้นการเดินใช้เพื่อการผ่อนคลายไม่ควรจะชักยาวในระดับเรงเนี่ยเพราะว่าการนั่งเนี่ยเราจะเห็นอารมณ์ได้ชัดแต่พอระยะหลังๆนี่พอเราจับเวทนาได้หลักกายได้ชัดเจนดีแล้วเนี่ยก็ค่อยไปเดินยาวขึ้นแล้วแต่ใครได้อารมณ์ก่อนนะคนได้อารมณ์ก่อนนก็คื อ, อนั่งได้ยาวขึ้นแล้วก็อพอ จับอารมได้ทันเพราะเวลาอารมณ์การยีบทเดินเนี่ยเป็นยีบ ท, ที่เบาสบายมันง่ายต่อการเพลินง่ายต่อการเพลินแล้วที่นี้การตามดูมันก็จะไม่ชัดแต่ว่าเวลานั่งเนี่ยมันไม่ค่อยเพลินง่ายแต่มันเผลอ ง, ง่ายเท่านั้นเองระวังเผลอกับเพลินไหนระวังยากกต่ไมนได้วังง่ายกว่ากันอุ้ม ให้ความสุขกับความทุกข์อันไหนเราระวังง่ายไหนเราระวังยากเหมืกันที่จะใจที่จะไม่เสื่อมนะฮ <c oughs> ะใช่ไหมนี่ความเผลอก็ระวังง่ายกว่าระวัา ง, ง่ายกว่าความเพลินใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเดินเนี่ยมันเพลินง่ายกว่าการนั่งเนี่ยมันเพลินน้อยแต่มันเผล่มันเผลอบ่อยแต่มันระวังง่ายกว่าใช่ไหมแต่เพลินเนี่ยเป็นของชอบอะ สุขเวทนาเป็นของชอบอย่างทานอาหารเนี่ยทานอาหารไม่อร่อยเดี๋ยวเลิกก็เลิกใช่แต่ทานอาหารอร่อยเป็นไงเอา ม, มาอีกเอา ม, มาอีกเอา ม, มาอีกกินได้เยอะเยอะเลยนะนั่นเี๋ยวพราะมเป็นสุขเวทนาอะมันระวางยากเนี่ยระวังว่าจะไม่กินเลยนะมันอดกินไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่ามันสุขจนอดไม่ได้สุขเนี่ทนได้ยากกว่าทุกทุกนี่จะทนได้ได้เพราะเรารรู้ว่าทุกก็เลิก น, นี่แต่ว่าสุขเนี่ยโอ้เรืองมันดีมากเรื่องนี้มัน อดที่จะอ่านไม่ได้อดที่จะตามดูไม่ได้อดที่จะเข้าไปหาไม่ได้อดที่จะกินไม่ได้อดที่จะดื่มไม่ได้นี่มันมันตรงนะมันมันทนยากกว่านะสุขเวทนาไอการไอมันบอกว่าทนได้ง่ายแต่มันเป็นไงในแง่ของนามารูปแล้วยากกว่าเพราะมันไปเสพแต่แง่ของกายเนี่ยมันทนได้ง่ายเพราะมันสบายนะแต่ทุกเวทนาร่างกายทนได้ยาก แต่ทางด้านนามมาท ม, มาทางด้านนา ม, มารูปแล้วเนี่ยสุขทนได้ยากกว่าเพราะมันละเอียดเพราะมันเสพมันอดไม่ได้ที่จะกินไม่อดไม่ได้ที่จะดื่มไม่อดไม่ได้ที่จะเล่นไม่อดไม่ได้ที่จะดูเนี่นระวังยากนะตรง น, นั้นนะดันั้นช่วงเช้านี้ก็ออกกันแค่นี้นะอย่ามอาอนุญาตให้ถามตอนเย็นเป็นเรื่องของการถามกันอะไรต่างๆนะนี่จะกลับมาพร้องกันอีกครั้ง